เจริญอนทุกๆท่านไม่เจอกันเดือนหนึ่งภอวนาเป็นไงบาง <c oughs> ชาวโลกไม่ไมเจอกันพอเจอกันต้องถามสบายดีหรือนักปฏิบัติเจอกันทําพอนาหรื อ, อยังวันนี้ไม่ต้องเจาะบ่วยนะต้องภาวนาบ่วยถ้าครูบาอาจารย์ท่านเจอกันท่านจะถามว่าทุกพอตนได้หรือ ที่ท่านสติปัญญาท่านมากท่านเห็นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปงั้นท่านไป ม, มาถามว่าสบายดีหรือถามสบายดีหรือนี่ถามแบบคนไม่ได้ศึกษาธรรมะถ้าศึกษาธรรมะถามยังพอตนได้ไหมให้ทุกข์อยู่ท่านขัดขันพอตนได้บอกยังพอตนได้อยู่แต่เดือยนี้ไม่ค่อยได้ยินนะ่อนครูบาอาจารย์เจอกันท่านกคุย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 ความเห็นแก่ตัวความตรานีอนะไรนี่รักษาศีลนี่ก็เป็นเครื่องมือสู้กิเลสอย่างหยับหยับกิเลสเวลามันหยับมันแรงเนะี่ยปัญญาสู้ไม่ไหวเหมือนกิเลสอย่างกระท่อนสุงนะจะเอามีดาตัดไปผ่าเนียผ่าไม่รอดทำไฟไม่ได้ต้องเล่นขวานเล่นเรื่อยสีลมันเหมือนอาวุธอย่างหยับหยาบมากๆเลยสู้กิเลสที่รุนแรง ในสิ่งเหล่านี้มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์ท่านก็ว่าดีนักปราชญ์ทั้งหลายเขาก็ยกย่องกันมีศีลเหมือนๆกันเรื่องการนั่งสมาธิก็มีสองส่วนตอนนี้ที่หลวงพ่อจำจี้จำชัยพวกเรามากเลยเพราะหลวงพ่อเห็นความสำคัญถ้าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเราไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงทาไม่ได้เด็ดขาดเลย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 พี่เลี้ยงพาไปอยู่ใต้ต้นว่าพวกพี่เลี้ยงไม่อยู่ไปดูพระเจ้าสุดโทธนะทำพิธีแลกนาควันเจ้าชาสิทธาท่านอยู่องค์เดียวท่านไม่มีอะไรทำแล้วท่านก็ยังไม่รู้เรื่องการนั่งสมาธิอะไรเ็ย่างเด็ ก, ดกๆไรเดงสาท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิของท่านเองบารมีท่านแก่รอบท่านเจริญสติสมาธิปัญญามาสมบูรณ์ เ, เกือบจะเต็มร้อยอยู่แล้วขาดปัญญาอีกนิดหน่อยท่านเองถ้าได้ปัญญาอีกนิดหน่อยท่านก็บรรู้พระละหันนีเรื่องสมาธิเนี่ยท่านชำนิชำนาญมาแต่ไหนแต่ไรตอนเด็กๆเนี่ยไร้เดียงสาไม่เคยได้ยินสมาธิอย่างอื่นไม่มีใครสอนท่านเองตอท่านลุกขึ้นนั่งสมาธิท่านก็ทําไปตามความเคยชินของท่านท่านทําอานาปนสติหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตได้ปฐมฌานในตําราพูดไว้แค่เนี้ อธิบายไ ม, ไม่ได้แล้วอธิบายไม่ถูกแล้วก็ตอต้องบอกแต่ว่าท่านลุกขึ้นนั่งสมาธิของท่านเองได้ปฐมมัญชาญแล้วเสร็จแล้วก็ตอนท่านออกไปบวชท่านไปนั่งสมาธิกระลือสีได้ถึงฌานที่แปดฌานที่7ชฌานที่แดแล้วท่านพาะว่าไม่ใช่ทางเนี่ยในตำราอธิบายไม่ถูกนะทำไมปฐมมัญชานเราใช่ทางมาถึงฌานที่เจ็ดที่แปด่บอกไม่ใช่ทาง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 อย่างเรื่องราวที่เราคิดนี่ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเรื่องราวที่คิดเรียว่าอารมณ์บัญญัติเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์มันที่สองนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสประทภะนะแล้วก็ธรรมอารมณ์บางอย่างในใจเรานะเช่นความรอบความโกรธความหลงอะไรนีนะ้อันนี้เป็นเป็นนมามธรรมรูปเสียงกลิ่นรสประพภะเป็นอารมณ์ที่เป็นรูปรนะธรรมธรรมอารมณ์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 อารัมณูปนิชานจิตเราก็ไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วก็สงบสบายอยู่ที่เดียวแต่ถ้าเราทำรักขณูปนิชานเราดูจิตเป็นหลักเห็นท้องพองยุไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้คือรู้จิตเป็นหลักการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตเนืองๆนะเมื่อจิตไหลไปหรือจิตตั้งมั่นอยู่เนี่นี่แหละคือบทเรียนที่ชื่อจิตตศิขาในทางปริยัตเนี่ยเาจะสอนเรื่องศีลสศิขาจิตตศิขาปัญญาศิขา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 ท่านทำสมาธินะเนี่ยจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่าจิตอ่อนจิตเบาจิตนุ่มนวลจิตคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานนะจิตมีสมาธิคือความตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วท่านน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่ อ, อยานทศนะเนี่ยคือจะใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วนี่แหล ะ, จะเจริญปัญญาเนี่ยถ้าเราไม่มีจิตชนิดนี้นะเราทำมิปัสนาไม่ได้จริงหรอกไปดูท้องผองยนะุบแล้วก็ไปเพ่งท้องกลายเป็นสมถะ ไปดูลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจไปเป็นสมถะไปพุทโธก็ไปเพ่งพุทโธอีเป็นสมถะ เ, เ, เฉยๆหมดเลยงั้นส่วนใหญ่ที่ทำนะมันไปนติดอยู่ที่สมาธิขั้นต้นนี้เท่า น, นั้นเองเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาหลวงพ่อไปเทศที่หน่วยราชการแห่งหนึ่งคนมาฟังมากเป็นประวัติการเลยแตเฉพาะภายในของเขาเองไม่ได้รับคนนอกมาฟังปรากฏว่าคนเต็มห้องไปชมนะต้องขยายห้องไปอีกนะน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 คนสักสองร้อยกว่าคนเนี่ยทําลักขณูเป็นิชานฝึกลักขณูเป็นิชานต้องหายากมากนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยวันนั้นถือเป็นวันที่หลวงพอบประสบชัยชนะชัยชนะนะชนะอะไรชนะพวกดาราวันนั้นน่ะเขามีแข่งบาสนะเขาไปเชิญดาราหลอๆมาต้องเยอะเนะี่ยมาเล่นบาสให้คนดูนะไม่มีคนไปดูนะคนไม่ค่อยดูคนมาฟังเทศคิดดูซิฟังเทศชนะดาราเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะ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 เข้าได้หนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตเวลาที่รักนุปนิชฌานเวลาจิตรวมนะจิตจะไม่เคลื่อนไปรวมข้างนอกนะจิตจะตั้งมั่นแล้วรู้เนื้อรู้ตัวอยู่บางทีโลกธาตุดับไปนะจิตยังไม่เคลื่อนเลยสติไม่ขาดจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดสายเลยร่างกายหายไปหมดเลยโลกนี้หายไปหมดเลยเหลือจิตดวงเดียวก็ไม่ไหลไปไหนนะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นั้นนี่แหละสมาธิที่จิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ที่จิตนั่นแหละ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 สายที่สานี่พอดีดีดและวไพเราะมันก็คือการดําเนินของจิตนั่นแหละจิตที่หย่อนเกินไปนัก็คือจิตที่ไหลไปหาอารมณ์ไปเพลินอยู่กับอารมณ์อย่า ก, กระทั่งเรานั่งสมาธินะแล้วจิตเคลิ้มเพลินกับอารมณ์อันนั้นย่อหย่อนเกินไปนตามใจกิเลสแล้วเวลาจิตไหลไปเพลินอยู่กับอารมณ์มันเดียวนั้นมันมีความสุขมีความเพลิดเพลินมีความพอใจมีราคะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เห็นอะไรจะติดอยู่กับสมาธิอย่างนั้นอนะ เมื่อไรสมาธิเสื่อมนะจะอารมณ์ร้ายกว่าคนปกติเพราะว่ามันสงบมันสบายมานานพอมันเคลื่อนออกมากระทบโลกข้างนอกมันทนไม่ไหวเลยมันร้อนแทบจะระเบิดเลยนี่อย่างนี้เรื่องหย่อนไปนะมันไหลออกนอกไปเพลิดเพลินไปตามใจกิเลสไปส่วนสายพินที่ว่าตึงเกินไปก็คือบังคับกายบังคับใจตัวเองอย่างพวกเราจะนั่งสมาธินี่ส่วนมากชอบนั่งบังคับตัวเอง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 จิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลจิตจะคล่องแคล่วว่องไวในการเจริญปัญญาไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สืมไม่ทื่อจิตจะรู้สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมอย่างที่มันเป็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงนั่นแหละคือสภาวะที่เป็นเป็ น, ป น, ปนทางสายกลางจริงๆของจิตคําว่าทางสายกลางทางสายกลางไม่ใช่ทางข้างนอกที่ร่างกายดําเนินไปแต่มันคือทางที่จิตดําเนินไปจิตต้องไม่หย่อนเกินไปถ้าย้อนเกินไปจิตก็ไหลาตามกิเลส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 จิตเคลื่อนนิดเดียวก็เห็นจิตเคลื่อนนิดเดียวก็เห็นสภาะวะมันจะคล้ายๆอย่างนี้นะสมมุตินิ้วนี้นิ้วชี้อันนี้เหมือนเป็นจิตนะแต่จิตมันจ่อนะถ้าฟาวมันเคลื่อนนะเคลื่อนนิดเดียวสติมันเห็นนะมันเหมือนตั้งบนปลายเข็มนิดเดียวจิตขยับตัวคลิกเดียวนะหลุดออกจากความรู้สึกตัวหลุดออกจากฐานนะจะเห็นล้มันจะกลับมาตั้งของมันเองแต่ถ้าบังคับนะไม่ไม่ให้ไปไหนเลยจับไว้ให้แน่นนะตึงเกินไป ถ้าหนีไปแล้วไม่รู้หย่อนเกินไปตรงจิตทำไมต้องตั้งมั่นอยู่ที่จิตเพราะตรงที่จิตนี่แหละเป็นหัวหน้าของธรรมะทั an ง Mother, no ้งปวงทาทั้งหลายมีจิตมีใจนี่แหละเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าทาทั้งหลายสาเร็จได้ด้วยใจธรรมาทั้งหลายอกุศลก็เกิดที่จิตที่ใจของเหลานี้แหละกุศลก็เกิดที่จิตที่ใจของเรานี้แหละมรรคผลก็เกิดที่จิตใจของเหานี้แหละ ถ้าเราทิ้งจิตใจของเราไปแล้วนะกูศ่เกิดก็ไม่เห็นนะกูศ่วเกิดก็ไม่เห็นมรรคผลนั้นไม่มีทางเกิดเลยเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตนะรัตติก็ย่างลงที่จิตปัญญาก็ย่างลงที่จิตคุณงามความดีทั้งหมดเนี่ยประชุมลงที่จิตในจุดเดียวกันนะคือที่จิตในขณะเดียวกันคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงมันผนึกกําลังลงที่จิตในขณะเดียวกันนะั้นจะเกิดพลังงานมหาศาลที่ทํำลายล้างกิเลสได้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 เป็นสมาธิในขณะที่เกิดอริยผลอารามณูปนิชานที่จิตไปเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์นั้นไม่มีทางทำวิปัสสนาไม่มีทางเกิดอริยมรรคไม่มีทางเกิดอริยผลเลยนะเพราะในขณะที่เกิดอริยมรรคจิตเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่าเจ็ในตำลาก็พูดไว้แต่เขาไม่ได้แจกแจงละเอียดไปพูดในอีกตําราหนึ่งอีกอีกส่วนหนึ่งนะบอกว่าเป็นลักขณูปนิชาน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 แปตึงบังครับตัวไม่ให้เคลื่อนเนี่ยจะตึงเกินไปถ้าเคลื่อนไปเกาะอารมณ์นะอันนี้ก็ยังหย่อนไปแล้วเราไม่ให้ตึงไม่ให้หย่อนหนะ้าว่าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้มันจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ห้ามเคลื่อนห้ามเคลื่อนตึงไปพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยบางคนซึ่งมีบุญวาสนามากเคยจเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆจะเห็นขันมันแยกมีเด็กบางคนนะตอนเด็กๆตอนเด็กๆถ้ากระทบอารมณ์ที่แรง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 จิตเป็นคนดูเห็นร่างกายเดินไปเห็นร่างกายวิ่งนะจําไม่ได้ว่าเดินไปบอกหรือวิ่งไปบอกลนะ้แต่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไปใจเป็นคนดูเนี่ยคาดขันมันแยกนะมีพระอีกองหนึ่งท่านมาเล่าว่าตอนท่านเป็นวัยรุ่นยังไม่ได้บวชไปงานลอยกระทงเขาจุดพลุท่านไม่ทันระวังนะมาจุดอยู่ใกล้ๆท่านความจริงท่านไม่ระวังนะถูกแล้วคือท่านไปยืนใกล้ๆที่เขาจุดพลุเขาไม่ได้ขนพลุมาจุด ข, ข้างท่านหรอก ท่านไม่ได้ดูนะท่านเดินเดินไปพลุ่มอยู่ตรงนี้เพอเขาจุดเปลี่ยงเนี่ยท่านบอกท่านตกใจตกใจท่านเห็นจิตที่ตกใจนะจิตก็ตั้งมั่นพลุบขึ้นมาตื่นขึ้นมาพอมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อพอที่จิตตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานะแล้วท่านบอกเอ้ยนี่มันของเก่าเคยรู้จักมาแล้วเนี่ยบางคนจะมีของเก่านะอย่างที่เจ้าชายสิทัตทะนั้นบารมีท่านมากสามขวบเท่านะของเก่าท่านขึ้นมาแล้วนับารมีท่านมากไม่ได้เทียบกับท่านนะหลวงพ่อเคารพท่านมากที่สุดเลย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 การแยกธาตุแยกขันธ์แยกมาจากกายก็ได้แยกมาจากจิตก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนอย่างพวกเราถ้านั่งอยู่เงี้ยถ้านั่งอยู่นะแล้วลองพยักหน้าเราเห็นร่างกายพยักหน้าไหมใจเราเป็นคนดูไหมถ้าเราเห็นได้นะอย่างเนี้ยเราแยกกายกับจิตได้นะเนี่ยเราลองทดสอบตัวเองนะบางคนพยักหน้าแล้วก็เนี่มันอะไรวะมาอะไรวะพวกเนี่ยดูกายไม่ได้ให้มาดูจิตว่ากําลังสงสัยนะพวกนี้ต้องไปแยกจากจิตก่อน เพราะเราจะเริ่มแยกกายแยกจิตเนี่ยเราดูตัวเองนะถ้าแยกกายได้ก็แยกกายไปถ้าแยกจิตได้ก็แยกจิตไปถ้าแยกไม่ได้นะก็ทำความดีไปให้มากนะอธิษฐานไว้เจอพระสีอานแล้วขอให้ทำง่ายกว่านี้นะไม่เป็นไรพระพุทธเจ้ามีเยอะนะยังมีอีกเยอ ะ, ะงั้นเรามาดูนะอย่างขนะนี้พวกเราหลายคนยิ้มรู้สึกไหมในวิธีฝึกนะ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 อ้าทุกคนลองยิ้มดูยิ้มสียิ้มหวานหวา น, นะคิดว่าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยิ้มสียิ้มรู้สึกไหมแค่คิดแค่นี้ก็มีความสุขแถมด้วยคนไหนยิ้มแล้วเห็นตัวเองยิ้มบ้างยกมือสีคนไหนยิ้มตะกี้นี้แล้วคิดถึงลอตเตอรี่แล้วมีความสุขที่ใจแล้วเห็นความสุขที่ใจเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าถ้าไม่เห็นกายยิ้มนะแต่ไปเห็นใจนะ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 ทำไมหลวงพ่อสอนมาถึงจุดนี้พวกเราในห้องนี้ขณะนี้นะจานวนนับไม่ท้วนนะที่จิตตั้งมั่นแล้วแล้วก็จํานวนมากมายเหลือเกินที่แยกขันได้แล้วอันนี้เดาเอานะเดี๋ยวจะว่ารู้ได้ยังไงจะว่าปลายกระซิบก็ไม่ได้เลี้ยงปลายะใครรู้จักปลายบ้างช้างตัวผู้ไหมเห็นไหมร่างกายยิ้มอีกแล้วรู้สึกไหม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 เห็นความโลภกับจิตเป็นโคลแลนกันเห็นความฟุ้งซ่านความหดหู่กับจิตเป็นโคลแลนกันจิตเป็นแค่คนดูเห็นความสุขความทุกข์กับจิตเป็นโคแลนกันจิตเป็นแค่คนดูนะเดี๋นี้ถ้าหัดแยกอย่างนี้ได้ก็เรียกแยกแยกนามแยกรูปแยกนามเนี้นี้แยกนามแยกนามกับนามคือนามธรรมหลายชนิดนะถ้าดูจิตใจไม่เป็นเขาดูกายเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายเกานะ คนไหนนั่งแล้วยังไม่เก่าเลยบ้างมีไหมหายากนะหลวงพ่อนั่งอยู่ตัวนี้หลวงพ่อเห็นพวกเราเกากันยุกยุก๊จิกจิแต่เราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกแต่หลวงพ่อไม่ว่าหลวงพ่เข้าใจว่าพวกเรามันสายพันธุ์เดียวกับลิงนะยังไงมันก็ต้องขันต้องกเก่าล่ะธรรมดานะไม่ว่าหรอกนะมีความสุขอีกแล้วรู้ไหมนะบางคนเคร่งเครียดรู้ไหมนะฟังหลวงพ่อแล้วคิดใหญ่อะไรอะไระนะ ถ้าใจมันกําลังงงกาลังเคร่งเครียดรู้ว่ามันกําลังงงกําลังเคร่งเครียดค่อยๆดูไปความเคร่งเครียดเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆหัดอย่างนี้นะว่ามันโกรธขึ้นมาคนไหนขี้โมโหเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็ดูไปความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตนี่ก็คือการหัดแยกขันน ale, ั่นแหละนะหรือดูแยกกายเห็นกายมันยิ้มเห็นกายพยักหน้าเห็นกายหายใจออกเห็นกายหายใจเข้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า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 ธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวเมื่อจิตไปรู้เรื่องราวที่คิดแล้วจิตจะมารู้ตัวจิตไม่ได้แต่จิตนั้นเกิดดับรวดเร็วมากนะเพรจิตดวงหนึ่งไปคิดเกิดสติขึ้นมามีจิตดวงหนึ่งไปรู้ว่าจิตตะกี้หนีไปคิดเนี่ยจะเป็นจิตดูจิตนะจิตดูจิตไปเรื่อยแต่ตูตามหลังไปติดติดติดดไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้อันนี้ใช้ไม่ได้ห่างกันเกินไป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 ถ้าตรงที่เราเห็นว่าร่างกายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อันนี้แหละคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะเป็นสเต็ปนะปัญญายังมีสองขั้นปัญญาก่อนถึงวิปัสสนากับปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาก่อนวิปัสสนาเนี่ยการหัดแยกกายแยกใจเป็นส่วนๆเนี่ยเป็นปัญญาก่อนที่จะถึงวิปัสสนาตรงวิปัสสนานี่ยจะเห็นว่าทุกส่วนที่เราแยกออกมาเห็นนั่นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาน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 เนี่ยเรามาหัดดูในใจเราจะเห็นเลยมันตกอยู่ใต้อนาตตาด้วยนะเราบังคับไม่ได้ทุกสิ่งเป็นไปนตามเหตุที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นั่นคือการเห็นอนัตตาถ้าร่างกายนะดูทุกได้ง่ายนะจิตใจดูอนิจจังก็ดูอนัตตาได้ง่ายาบังคับไม่ได้อนาตตาอนิจจังหมายถึงมันมีแล้วมันก็หายไปเ น, นี่ยหัดดูมากๆนะเรียกว่าการทํำมิปัสสนากรรมฐานการเจริญปัญญา เมื่อปัญญาของเราแก่รอบในขณะที่เราเดินปัญญานะั้นอย่าลืมว่าจิตต้องตั้งมัน่นถ้าจิตเคลื่อนไปไม่เป็นปัญญาแล้วเป็นการคิดเอาไม่ใช่รู้เอาถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเหมือนเรายืนอยู่บนบกเห็นอะไรผ่านไปในแม่น้ําเรือผ่านในแม่น้ําเราไม่โดดลงน้ําอย่างนี้ถึงใช้ได้ถ้าเราตกน้ำํำเราใช้ไม่ได้แล้วนั่นเราเวลาที่เราดูรูปธปรรมนามธรรมนะเราต้องดูด้วยจิตที่ตั้งมัน่นที่ย้ํานักย้ําหนาคือตัวนี้นะ พอจิตตั้งมั่นแล้วก็ดูรูปธรรมมันทํางานก็จะเห็นว่าเออมันถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานี่คือปัญญาพอจิตตั้งมั่นแล้วดูนามนมาทำทํางานก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้นี่แหละคือตัวปัญญาปัญญานั้นคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเมื่อเห็นมากข้ามากข้าวจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าสอดไว้แล้วเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัด เพราะใครกำนาดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะไม่ยึดถือมันหลุดพ้นจากอะไรนะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มใจเราอยู่คล้ายๆมันถอดเปลือกออกนะสลัดเปลือกออกทิ้งไปหลุดพ้นจากอาสวะได้เพราะไม่ถือมัน่นในรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดอะไรในโลกนั่นแหละคือทางดำเนิน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 นีลักษณะของธรรมะของพระพุทธเจ้านะสงบแต่ร่าเริงไม่ใช่สงบง่อยๆนะสงบนี <c oughs> อย่าภาวนาเลยไปโรงบานโลกจิตดีกว่า <c oughs> สงบแต่ร่าเริงธรรมะเป็นของร่าเริงนะอย่างพรธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ยลักษณะการแสดงธรรมของท่านนะอันแรกท่านแจกแจงให้เรารู้เรื่องราวอันที่สองท่านชวนให้ปฏิบัติ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 ทำได้สองอย่างดีที่สุดถ้าทำความสงบไม่ได้เดินปัญญารวดไปด้วยสมาธิตั้งมัน่นจิตจะแห้งแล้งหน่อยแห้งแล้งรำเข็นในการทำหิปัสนานะเหน็ดเหนื่อยมากแต่ก็ไปได้ไปได้เอาละพอสมควรนะมีใครจะถามไหมนีได้ข่าวว่าไม่ค่อยมีคนถามเป็นเรื่องดีมากเลย ถรมนวัตการหลวงพ่อจะอยู่ไหนอยู่ไหนอืมว่าไงโดยโดยรวมปฏิบัติทุกวันจะค่ะปฏิบัติทุกวันตั้งใจว่าจะปฏิบัติบูชาคุณพุทธเจ้าปฏิบัติบูชาหลวงพ่อนะสาธุแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกตัวเร็วขึ้นเวลามีโกรธมีอะไรก็จะรู้เท่าทันทำให้ความสืบเนื่องที่จะโกรธต่อไปมันสั้นลงจ้ะค่ะ ไม่ค่คอยสงสงเราเราก็ดูไปน ะ, ะสภาวะทั้งหลายสภาวะอะไรก็ได้บางวันเราภาวนาถ้าสว่างสวยัยถ้าสว่างเราก็รู้ด้วยความเป็นกลางวันนี้ภาวนาแล้วมัวมัวหมวูดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็เป็นกลางอย่าไปเกลียดมันสภาวะทั้งหลายนะเท่าเทียมกันในขั้นทมวิปัสสนานะเราะนั้นจิตใจสว่างแจ่มใสแต่จิตใจมืดมัวเนะี่ยเท่าเทียมกันในด้านไตรลักษณ์ ขนานี้สว่างไหมหรือมืดมัวใช่ไหะก็ถ้าจิตโมมัวก็ให้รู้ทันว่ามัวอย่าไปเกลียดมันนะรู้อย่างที่มันเป็นเราเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อให้จิตยอมรับความจริงว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้ใจรักเท่านั้นแหละถ้าจิตเรายอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันตกใต้ใจรักต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจไม่เดือดร้อนหรอกโลกก็อยู่ห่างๆออกไปใช่โลกก็อยู่ห่างๆโลกก็ทุกข์ของโลกนะ แต่เราไม่ทุกไปกับโลกก็มีบ้างบางครั้งค่ะไม่นั่นเพราะเราไปอยู่กับโลกธรรมดานะใจยังไม่ได้เป็นพ้นโลกไปใจพ้นโลกก็พ้นเป็นลําดับลําดับพระโสดาก็ยังทุกกับโลกพระสัททะคายังทุกกับโลกพระนาคาก็ติดโลกติดโลกละเอียดกลาวพอพระคุณจ้ะค่ะกลับนมรรการหลวงพ่อครับครับวันีเป็นครั้งแรกที่เพิ่งได้ได้มาฟังธรรมหลวงพ่อนะครับก็ คำถามได้ใจวันนี้ก็หลวงพอ่อได้เทศและตอบไปหมดแล้วนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณพี่นพพรนะฮะที่แนะนำ mm hmm. ว่ามีครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ mm hmm. แนะนำให้มากราบแล้วก็แนะนำให้ส่งกันบ้านนะครับ mm hmm. ซึ่งเข้าใจว่ากันบ้านวันนี้ก็หลวงพ่อได้ตอบไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้มากราบหมดความสงสัยในพุทธศาสนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ นี่เป็นสารณ ะ, ะเป็นปัจจิตังรู้และปฏิบัติได้ด้วยตัวเองนี่สาธุครับจิตถึงฐานไหมไม่ถามอ่ะสงฆ์พ่อถามเองครับก็จิตตอนนี้ตั้งมั่นถึงฐานไหมหรือจิตกระจายออกนอกครับสว่างว่างๆออกข้างนอกไหมก็ตั้งมั่นอยู่นะครับก็เท<ม>่าที่ปฏิบัติมาก็าพิจารณาถึงไตรลักษณ์<ม>รู้ทุก์ของจิตรู้ ความเป็นอนิจจังแล้วก็รู้ว่าไม่สามารถออคิดได้เป็นตัวตนของเราขณะนี้ตั้งพอดีรหรือตั้งแรงไปครับที่ผ่านมานี้มีความรู้สึกว่าตั้งพอดีตอนนี้เอาที่ตั้งแรงไปนิดนึงตอนนี้อยู่พอดีแล้วครับแรงไปหน่อยนะครับมันยังจงใจอยู่ก็ให้รู้ทันพุทธนภาวนาณดีนะค ร, ครแต่ว่าระวังเรื่องสมาธิชนิดที่ไปควบคุมตัวเองแรงไปนิดนึง เดี๋ยวมันจะเห็นทุกอย่างเป็นใจรักแต่จิตมันนิ่งครับถ้าจิตไม่ยอมแสดงใจรักก็ยังไม่ดีหรอกค่อยๆปล่อยถ้าเราไม่ไปบังคับไว้นะมันถึงจะแสดงใจรักแต่ถ้าเราไปเพ่งมันจะนิ่งๆแน่นๆอยู่นิดหนึ่งตึงอยู่นิดหนึ่งอย่างนี้จิตจะไม่แสดงใจรักแต่ตัวอื่นแสดงนะค่อยๆปรับตัวนี้แล้วมัชชการครับกับสมัชการหลวงพ่อครับ ส่งกันบ้านครั้งที่สามในรอบสามปีครับครั้งแรกหลวงพ่อให้ดูกายะครับตอนนี้ผมยังติดเพ่งอยู่บ้างครับถ้ามันแน่นก็เพ่งนะถ้าไม่แน่นก็ไม่เพ่งหรอกมีไหมแน่นอยู่หน่อยหนึ่งไหงยงมยังแน่นอยู่ครับเห็นไหมเราตอบได้ด้วยตัวเองหลวงพ่อจะสอนหลักให้ก็ขอกันบ้านหลวงพ่ อ, อ เ, เพิ่มครับไปฝึกนะวันนี้ที่มันแน่นเพราะว่าตื่นเต้นอะ่ะแพ้ไมธรรมดามดีกว่านี้ เราไปดูจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงศีลรักษาได้ดีไหมศีลดีครับนะตั้งใจรักษาไปนะแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ฝึกซ้อมทุกวันไหมอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่พยายามท ำ, ทำในรูปแบบไหมบ้างครับทำนะทำให้สม่ำเ ส, สมอการปฏิบัติเนี่ยที่คำว่าสม่ำเสมอเนี่ยจำเป็นมากเลยจุดอ่อนของครวาสที่หลวงพ่อเห็นนะมีสองข้ออันหนึ่งคือสมาธิไม่พอจิตจะฟุ้งออกนอกไป อีกอันหนึ่งก็คือทําให้สม่ําเสมอทําทําหยุดหยุดการที่จะเห็นแจ้งไตรักเนี่ยเสียยากเอาคุณถ้าทําสม่ําเสมอคุณจะดีกว่านี้อีกเยอะเลยที่ทําอยู่น่ะถูกเราล่ะก็วันนี้ส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองกลัวไหมก็กลัวค่ะกลัวแล้วทํำยังไงก็รู้ว่ากลัวรู้จริงหรือรู้แล้วทำไมกลัวอ้างว่ามา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 มันจะได้กลัวเราฝึกหลายปีนะกว่าจะเลิกภาคฝึกนานถ้าเลิกภาคแล้วสบายแม่หนุกหูขอบคุณครับกับนมัสการของพ่อครับไม่ได้มาส่งกันบ้านหลายปีครับทำปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทำในรูปแบบด้วยตอนหลังจะเห็นว่ามันมันเบื่อโลกนะครับ มเบื่ออากอย่าให้ความเบื่อครอบงําจิตได้นะเบื่อก็ให้รู้ไปเหมือนรู้ความโลภความโกรธความหลงอื่นๆนั่นแหละก็เห็นเป็นสภาวะหนึ่งเป็นใจลักเหมือนกันถ้ามันครอบงําจิตได้ไม่ดีถ้ามันไม่ครอบงําจิตมันเป็นทางผ่านที่ทุกคนต้องผ่านอยู่แล้วแหะความเบื่อแต่อย่าให้ครอบงํำไม่ทราบว่ามีอะไรต้องแก้ไข่แหละไม่ให้ครอบงําจิตได้นะอย่าให้มันครอบงําให้รู้ทันว่าใจ ใจเราถูกมันครอบงำอยู่ให้ดูเข้าไปตรงๆเลยว่ามันครอบงำจิตเราได้ถ้ารู้ทันตรงๆมันก็ครอบไม่ได้ครอบไม่ได้จิตก็เข้าไปสู่ความเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นโลกนี้น่าเบื่อพระเจ้าถึงสอนเนี่ยเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายไหนเราเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนั้นความเบื่อเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่ต้องเจอแต่เวลาเบื่อ อยาให้มันครอบจิตได้ถ้าครอบจิตได้เราจะไม่ผ่านไปก็ติดอยู่แค่นั้นนานๆไปเราทนไม่ไหวเราก็เลิกปฏิบัติให้รู้ทันพอดีใช้ได้ต้องอย่างนี้หละอย่าให้มันครอบวันนี้พอดีพาครอบครัวมาด้วยนะครับภรรยากับลูกนั่งอยู่ข้างหลังศาลากรา <ừ. S 2> กบขอให้หลวงพ่อชี้นแนะด้วยครับไหนภรรยายกมือข้างหลังศาลาเลยครับ นั่นแหลสิให้ยกมือหน่อยภรรยาเราเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอภรรยาคนเดียวครับกับลูกสามคนออยู่ข้างหลังสาลาเยอะแยะเลยข้างหลังหลวงพ่อไม่รู้นี่คนไหนอยู่ไหนยกมือสิภรรยาและลูกอุ้ยอยู่โน่นน่ะดูไปไม่ถึงหนอกไกลเลือเกินไดสอนเอาเองนะไม่ก็มาให้คุณมารีนี่เขาสอนให้นะไกลจนหลวงพ่อมองด้วยตาไม่เห็นนะ ถานมัสการอยู่ศาลาโ <พอ S 1> น้นนะไม่ใช่ศาลานี้นะอยู่ศาลาโน้นนึงยกมือแล้วต้นไม้ก็บังด้วยอ่ะกับนมัสการหลวงพ่อค่ะค่ะวั น, นวันนี้ตั้งใจจะมาถามแต่ที่หลวงพ่อเทศให้ฟังก็พอรู้แล้วค่ะนี่ก็อยากจะให้หลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดทําทําอยู่ในทางแล้วต้องทํำยังไงต่อถ้าเกิดะทําให้มากทําถูกแล้วทําให้มากทําไปเรื่อยๆบ่อยๆ ไม่ล้าเลยไม่หวังผลว่าจะต้องได้เร็วนะถ้าทำอย่างนี้ไปด้วยก็ดีเองเลยเวลาเนี้ยจิตถึงฐานไหมไม่ถึงฐานาไม่ถึงแต้มากค่ะปกติมันอยู่ข้างในไหมถึงฐานไหมตรงนี้เหมือนปกติไหมลองหายใจสิเอาความรู้สึกตัวนะจับเข้าที่ลมแล้วก็หายใจเอากลับเข้ามา หายใจสักครั้งสองครั้งเท่านั้นไม่ทํามากพอละพอละถ้ามากกว่านี้จะแน่นนะเ่ยฝึกอย่างนี้นะค่ให้ใจมันเข้าบ้านถ้าธรรมดาก็ก็จะเบาๆแบบนี้ได้เออถ้าอย่างนี้ถูกนะถ้าอย่างนี้เราก็เดินปัญญาต่อดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานเห็นไหมร่างกายพยักหน้าไม่ใช่ตัวเราค่ะของคุณขันมันแยกแล้วล่ะมันไม่ยากล้วค่ะเพราะบางครั้งหนูจะเห็นว่ามันมีอะไรเกิดดับบั๊บ นั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละดีเห็นก็เห็นนะไม่เห็นก็ไม่ชักไม่ว่ามันนะไม่ต้องต้องเห็นเองถ้าบังคับให้เห็นไม่ไม่ได้ผลค่ะในนัดสการของพ่อค่ะรู้สึกตอนที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่จิตมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาหลายอย่างแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดีกว่าตอนนั่งแรกๆอืค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยที่ปฏิบัติที่ผ่านมาช่วงเดือนสองเดือนเนี่ยมัน หลงและฟุ้งเป็นพื้นเลยคิดเรื่อยืออมแล้วก็ตอนช่วงหลังๆนี้รู้สึกถูกกิเลส ท, ทออเยอะกว่าที่จะชนะมันได้แรกๆรู้สึกมันจะดีเหมืนี้ถ้ามันฟุง้งเราก็ต้องทําความสงบเข้ามาบ้างนะคะพุทธโธไปหายใจไปให้จิตสงบอยู่กับพุทธโธสงบอยู่กับลมไม่หนีไปที่อื่นเงนี้แล้วก็ต้องต้องมีวินัยเนยทําบ้างไม่ทําบ้างไม่ดีต้องมีวินยันยในตัวเองทําสม่ําเสมอ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 ส่วนสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิตแต่มีหน้าที่ทำเท่านั้นแหละแต่รู้สึกเหมือนในบางจังหวะมันจะรู้ได้ดีกว่าก่อนก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกใช่หนูทำนะหนูทาอีกนะสมาธิหนูไม่ค่อยพอมันฟุ้งง่ายที่จริงมันเป็นทางกายด้วยนะมันเป็นไฮเปอร์แอคทีฟเพราะงั้นเราต้องช่วยมันนิดหน่อยทงความสงบบ้างอะไรบ้างมันไม่ใช่จิตผิดปกติหรอกแต่ว่า มันเป็นไฮเปอร์แอคทิฟตอนนี้ยังอยู่ในทางที่ดีดีกว่าแต่ก่อนถือว่าใช้ได้น ะ, ะ <c oughs> กลาวว่า่งกล่าวกล่าสการ์พระอาจารย์ครับครั้งที่แล้วผมส่งคนบ้านท่านบอกว่าเวลาปฏิบัติยาอย่าะคิดนำตามที่ให้กันบ้านครั้งที่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะคิดนำน้อยลงนะเพราะว่าก็อย่างที่ท่านอาจารย์แนะนำนะครับตอนนี้ก็เห็นสภาวะ ที่ละเอียดขึ้นนะฮะเป็นวันนั้นปฏิบัติแล้วเห็นจิตเนี่ยไปคลุกกับอารมณ์ออืหลังจากนั้นมันก็เกิดก้อนอะไรที่หน้าอกขึ้นมาร<อ>้นนนอ น, นก็ทุกขึ้นมาเลยครับอย่าไปเกลียดมันนะครับอถ้าไปเกลียดมันนะไม่หลุดหรอกต้องเป็นกลางไอ้ก้อนกลางหน้าอกเนี่ยตอนหลวงพ่อหัดใหม่ๆนะไปตีกับมันนะหาทางทําลายมันพอทําลายมันแล้วจิตตั้งมัน่นรักษาจิตเอาไว้เรื่อยๆอย่างเงี้ย เปสวงการบ้านหลวงปู่นึกว่าท่านจะชมนะท่านบอกอยังไม่ได้ดูจิตเลยงัวจะไปยุ่งกับอาการของจิตไปแก้อาการอยากข อ, อาการบ้านอย่างหลวงพ่อครับปฏิบัติต่อไปทัปต่อไปจากนี้นะจิตเข้าไปรวมเป็นก้อนแก่ไอ้ก้อนนี้รู้ว่ารวมจิตแยกออกมารู้ว่าแยกนะถ้ารวมแล้วไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจแยกแล้วพอใจรู้ว่าพอใจเราจะ ต, ต้องรู้จนถึงเข้าเข้าขั้นที่มันเป็นกลางรวมก็ได้แยกก็ได้ เราก็จะฝึกไปเรื่อยเราจะเริ่มเห็นเลมันจะไหลไปรวมเราก็ห้ามไม่ได้มันจะแยกเราก็สั่งไม่ได้รักษาไม่ได้มีแต่อนาตตาเขารู้สึกว่ารวมปุ๊บมันจะทุกข์แล้วมันจะด่นขึ้นมา เ, ออเราจะเกลียดมันหนักเลยนะไม่เป็นกลางขอบคุณถ้าเป็นกลางนะต่อไปจะเห็นนลเวลามันแยกออกมานะเราก็ไม่ได้สั่งนะแล้วก็พอแยกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ไปรวมห้ามมันก็ไม่ฟังมันจะรวมรวมแล้วสั่งให้แยกมันก็ไม่แยก มีแต่คำว่าทำไม่ได้นะที่เราหัดภาวนากันแทบเป็นแทบตายไม่เชื่อเพื่อเอาอดีเอาสุขเอาสงบหรอกแต่เพื่อให้เห็นว่าสภาวะาทั้งหลายนะั้นมันเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือเห็นว่ามันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ฝึกเพื่อจะบังคับมันใจลอยไหมคนที่ส่งกันบ้านไปแล้วลอยหมดเลยอ่ะการนมิาการใช่ไหะ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 ถ้าจะเกลียดก็เข้าไปจับนะจะพอใจก็เข้าไปจับให้รู้ทันไหมถ้ามันจะเป็นกลานถ้าเป็นกลานมันหลุดหมดเลยแล้วจิตพอพัฒนาขึ้นบ้างไหมพัฒนาตั้งแต่ก่อนเยอะเลยคดีกว่าแต่ก่อนกรรมน้ำตาการครับหลวงพ่อในรูปแบบในสมาธิก็ยังมีแสงเป็นอารมณ์อยู่นะครับเอแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองบางทีก็รวมรวมรวมไปเป็นอารมูปไปเลยก็เข้าใจว่าหลุดไปอยู่อย่างนั้นก็มีครับ ในสภาวะประจําวันจเจริญสติในประจําวันก็เห็นตัวเองเป็นสภาวะของกลุ่มก้อน <sized. S 2> อารมณ์มากขึ้นเห็นมันเหมือนกับกลุ่มก้อนของพลังงานแม้กระทั่งผู้คนคนอื่นก็รู้สึกเปกลุ่มก้อนเหมือนกันก็มีส่งกระแสากันไปส่งกระแสากันมาก็รู้สึกตัวเอรับอารมณ์ของคนอื่นจากการเข้าใจว่าผมมีอะไรตัวหนึ่งเหมือนกับทวนอารมณ์นิดนึงก่อนที่สัญญาจะเกิดแล้วผมไปเห็นในตัวเนี้ยมัน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 เพราะงันจะติดหรือไม่ติดน่ยอยู่ที่ว่าจิตมีโลภะเรารู้หรือไม่รู้ถ้ารู้ทันไม่ติดออกอันนี้ก็เหมือนสุกปลอมๆใช่ไหมฮะว่างๆรู้สึกมันมันก็สูงนะถ้าเทียบกับกามมสุขรู้สึกไหมมันเหนือชั้นกว่ากามมันสุขมันเหมือนไม่อยากได้กามแล้วใช่กามวางได้แล้วนะตัวนี้มันเข้าไปถึงรูปประลาค้ารูปประล้าอะไรนั้นครับกามนี้เป็นเรื่องเล็กเลยครับเดี๋ยววันนี้ภรรยาได้ยินก็ตกใจเหมือนกามวางได้แต่ว่ามันเหมือนกับ ถ้าไม่มีอะไรไหวก็ไม่รู้สึกอะไรกับมันนะฮะภรรยาไม่ต้องตกใจมันวางช่วงคราวเท่านั้นครับแต่ก็ดีขึ้นนะครับก็เลยว่าธรรมะของหลวงพ่อเจริญได้เร็วขึ้นฮะนี้หนึ่งรอบปีก็เจริญกว่าคราวที่แล้วรอบปีที่แล้วหลวงพ่อว่ายังไปยกระจายอยู่แต่ก็ก็วันนี้ก็รู้สึกว่ากลับมารวมได้ดีขึ้นดีครับเห็นใช่ไหมที่หลวงพ่อบอกกระจายเอวันนั้นยังรู้สึกเป็นของดีฮะคิดว่าแสงสว่างเป็นของดีก็เลยไปติดอยู่ครับ ในมัสการครับดีขึ้นนะคนดีขึ้นเยอะเลยล่ะไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้ปัญญายังนําอยู่เละถ้าจิตจะอยู่ในว่างนะครับแล้วพอใจรู้ว่าพอใจครับถ้าเป็นอุเบกขาเป็นกลางกับมันไม่เป็นไรเอาเป็นที่พักผ่อนครับกานมรสการครับกราบนมรสการค่ะหลวงพ่อคือว่าส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะ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 หายใจไปสินะหายใจใช้ลมหลายใจไล่ไปตามกระดูกสันหลังไล่ค่อยๆปรับทาดไปเรืเ่อยๆแต่แต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าคือบางครั้งมันมั น, ม, นมันทนกับความร้อนนี้ไม่ไม่ไมหวจริงๆนะคะจึงต้องหยุดยอมแพ้ะคะ่ะลองทำให้ดูได้ไหมทำไมมันร้อนทำให้ดูซิไม่ร้อน เอางี้เดี๋ยวมาถามคุณมารีนี่นะให้สอนรายละเอียดให้ค่ะก็คือให้ดูไปใช่ไหมคะก็คือให้ดูไปใช่ไหมคะหลวงพ่อเออจะต้องฝึกไปเรื่อยๆลยขอบคุณค่ะหรับ น, นมัสกรารหลวงพ่อค่ะหนูปฏิบัตินะคะแล้วก็ปฏิปฏบัติแรกๆเนี่ยมันก็เป็นฟุ้งไปหมดเลยเพราะว่าเคยปฏิบัติแบบ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 จิตไม่มีกําลังนะ<ป>ต้องทําเราปฏิบัติแนวภัสมาที่แบบเพ่งไปด้วยได้ไมคะสอ ง, อ, งอย่างนีย่ยต้ควรจะทําน ะ, ะเอาคู่ไปเลยนะคะจะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ทําไปนะจิตจะได้มีแรงอะะ๋อค่ะแล้วอีกนิดนึงนะคะเวลาหนูเปิดเนี่ยนะคะมันยังไม่เห็นใยรักหรอกคะ่ะหนูรู้จักว่ า, มา ไ, นะไม่เห็นตายรักนะคะแต่ว่าหนูสุขรู้แต่ว่าอย่างเวลาหนูฟังเทศนะคะฟังเทศอย่างฟังเทศต่างๆของพระธรรมฐานเนี่ยนะคะ ฟังแล้วเพลินเพลินบางทีจิตมันก็บอกมันก็จะเข้าสมาธิแบบสงบไป่ะอย่างนี้นี่เราจะทาให้มันเป็นแบบอีกแบบหนึ่งได้ไหมคะหรือว่าให้เป็นอย่างนั้นไปเลย ต้องรู้อย่างเดียวต้องรู้นะคะไม่ให้มันเพลินอย่างนะคะใช่ไม่ไม่งั้นไปทําสมาธิสงบแล้วคิดว่าวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนี่คนละเรื่องกันอ๋อพอเราสงบพอพร้อมควรแล้วเราค่อยออกมาทําใช่ออกมาดูกายแบบอย่างอย่างอย่าไปอยู่นานนานๆใช่ไหมคะให้พักพอสบายแล้วก็มาเหมือนกับร่างกายเรานะพักผ่อนพอมีเรี่ยวมีแรงก็ต้องออกมาทํามาหากินเนอะไปพักตลอดการไม่ได้คลุงพ่อมีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมไหมคะจิตยังฟุ้งอยู่ก็ไปทําความสงบขึ้นมานะ ขอบพอคุณค่ะพวกเราต้องไม่ดูถูกอาจารย์ก่อนๆ น, นะอย่างบางคนก่อนจะเจอหลวงพ่อก็มีครูบาอาจารย์มาก่อนแล้วอะไรเงี้ยธรรมเนียมปฏิบัติของเราชาวพุทธเนี่ยเราไม่ล่วงเกินครูบาอาจารย์อย่างท้าสรีบุตรมันเป็นตัวอย่างที่งดงามมากเลยท้สาสรีบุตรก่อนจะเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์สัญชัยปริภาชกเป็นพวกนักปรัชญานักโต้เถียง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 ถ้าไม่มีตรงนั้นมาเราคงไม่มีฐานที่ก้าวมาถึงวันนี้ได้นั้นใจเราต้องเห็นคุณงามความดีของคนอื่นใครทำความดีกับเรานะจะเล็กจะน้อยก็ต้องมองเห็นนะไม่งั้นมันไม่ใช่วิถีของเราชาวพุทธที่แท้จริงหรอกบางคนไม่ดีนะพอมาเรียนกับหลวงพ่อเราไปว่าอาจารยไ์ไม่ถูกนะ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 ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวามวาอิโตทินังเปตาหนังอุปกระปติอิชิตังปิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจศตุสเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสพีติโยวิวัตชันตุสภโรโควินาสตุ มาเตภวัตปันตรายโยสุขีตีพายุโกภวาอาภิวาทนาสิลิสนิจังวุฑาปจายิโนจ ต, ตารโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังปลังเดินหน้าหลวงพ่อไม่ได้มาที่นี่นะเขาบอกยัง